ทีนี้พระ อ, องค์ก็เลยบอกว่าสาติภิกษุเนี่ยนะเธอเนี่ยมีปัจจัยขาดแล้วมิจฉาทิฏฐิของเธอเนี่ยนะเป็นตัวตัดปัดจจัยแล้วเพราะฉะนั้นเธอเป็นผู้ไม่มีธรรมคือศีลสมาธิปัญญางอกงามในาศาสนานี้แล้วเพราะฉะนั้นเราจะเรียกกับภิกษุทั้งหลายเนี่ยนะพรทีนี้สาติภิกษุพระ อ, องค์ก็เท่ากับบอกว่าสาติภิกษุไม่มีอุปนิสัยที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานสาติภิกษุเนี่ยนะ ถ้าสาติ์พิสุเขาก็มีความคิดขึ้นมาใหม่อีกเอาเถอะถึงเราจะไม่มีบรรลุมรรคผลนิพพานนะเดี๋ยวเราก็ฟังธรรมแล้วก็จะปฏิบัติข้อปฏิบัติให้อ่าเพื่อให้พระองค์แนะนำข้อข้อวิธีการทํากุศลไปสวรรค์ก็ได้ตอนแรกว่านิพพานไม่ได้เอาสวรรค์ก็ยังดีเหมือนกันทีนี้พระองค์ก็เพื่อจะบอกกับสาติ์พิษุว่าโมฆะบุรุษเราไม่ให้โอวาทอนุสาสนีแกเธอ ตั้งกันนี้เป็นต้นไปเธออย่าหวังว่าจะได้โอวา่าโอวาทานุศาสนีอันนี้ก็แปลว่าเป็นการฆ่าทิ้งในศาสนานี้จริงๆเลยนะพระพุทธเจ้ามีกรุณามากไม่ใช่หรือทําไมพระองค์จึงทําแบบนี้เนี่ยนะก็บอกว่าหมอทั้งหลายเนี่ยนะ เ, เห็ น, นปกติหมอทั้งหลายเนี่ยสงสารคนไข้ไหมสงสารเอาไว้ทาไมหมอไม่ไปช่วยปั๊มหัวใจให้คนตายล่ะ นี่ก็เหมือนกันทิฏฐิอันนี้เนี่ยมันฆ่าตัวเองจากาศาสนาเสร็จสิ้นแล้ว น, นะกรุณาพระองค์ก็กรุณาอยู่แล้วแต่มันไม่รู้จะช่วยยังไงมันช่วยไม่ได้เนี่ยนะมันมันยังไงเหมือนกับนักโทษประหารพระราชาจะ ก, การุณาขนาดไหนก็ช่างเถอะแต่โดยกฎของแผ่นดินเป็นต้นเนี่ยนะก็คือคือนักโทษประหารมันก็คือนักโทษประหารถึงจะสงสารขนาดไหนก็ช่วยได้ไหม ยนะอย่างเรียกว่ากบฏทรราชเนี่ยนะศัตรูของแผ่นดินเนี่ยนะทั้งหมดเลยเนี่ยนะแล้วก็เขามีหมายที่จะประหารถึงจะสงสารขนาดไหนก็ทําอะไรไม่ได้พระองค์เป็นธรรมราชาถึงจะกรุณาหวังประโยชน์หวังความสุขให้แก่เขาขนาดไหนก็ช่างเถอะแต่พระองค์ก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เพราะความผิดของเขาเนี่ยมันเลวร้ายเกินไปเขาเนี่ยนะอกุศลธรรมของเขาเนี่ยมันชั่วช้าเกินกว่าที่จะ ผู้ใดจะตะคับประคองช่วยเหลือได้เหมือนกับคนคนที่หัวใจวายไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเนี่ยนะหัวใจวายไปแล้วสมองมันตายไปแล้วอะไรไปแล้วแล้วหมอถึงจะ ก, การุณาขนาดไหนหมอจะทําอะไรได้เพราะฉะนั้นหมอบอกกับฉันไม่ให้ออกซิเจนนั้นนะเหมือนกันะนะนะนะจะไม่ให้อาหารทั้งสายยางบอกว่าคื อ, ค, อคือตัดการช่วยเหลือแล้วไม่รู้จะไปช่วยตรงไหนมิจฉาทิฐิก็เหมือนกันอย่าลืมว่าปุถุชนในโลกให้โดยมากให้ความสําคัญแก่รูปใช่ไหมพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญแก่นาม เราทั้งหลายให้ความสําคัญต่อรูปเสียงเปลี่ยนรสโพธิภะ ท, ทั้งหลายที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มเรื่องอาหารการเป็นอยู่สังคมสิ่งเวทลมพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องทิฏฐิทั้งหลายสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมเพราะฉะนั้นสาติภิกษุชื่อว่าเป็นคนพานคนพานที่ชีวิตอยู่เพียง เพียงแต่มีลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเองเนี่ยนะชีวิตของสาติพิสุเพียงแต่ว่าอยู่ด้วยลมหายใจเข้าออกเพราะทําลายประโยชน์ตนเองเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะทำลายเสร็จสิ้นเพราะอะไรเพราะยืนยันแล้วแล้วก็เปลี่ยนความเห็นไม่ได้แล้วคือเป็นเป็นตัวเองเนี่ยขอมีความเห็นแบบนี้ตลอดไปเพราะฉะนั้นพระองค์สอนอย่างนี้สาติพิกษุไม่เคยมโอ้เรานี่ความเห็นผิดนะความเห็นของเรามันใช้ไม่ได้เราต้องเปลี่ยนความเห็นบอกไม่ ฉันเห็นดีแล้วฉันเข้าใจถูกต้องแล้วพระพุทธเจ้าจะมาว่าอะไรฉันไม่เปลี่ยนทำไะฉันฉันสามารถปฏิบัติบรรลุมรรคผลนิพพานได้พระองค์บอกว่าเธอไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานอังนั้นพระองค์ก็คงจะสอนให้บรรลุสวรรค์นิพพานบรรลุไปข้อปฏิบัติไปสู่สวรรค์ก็บอกเราก็ไม่มีอะไรจะสอนเธออีกแล้วละว่างั้นนะก็แปลว่าตายจากธรรมวินัยนี้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นในข้อ443เนี่ยนะที่พระองค์บอกว่า เธอจะเจริญงอกงามในธรรมวินัยนี้บ้างไหมบอกไม่เป็นเป็นไปไม่ได้ส่วนย่อหน้าล่างไปอีกเขาบอกว่าลำดับนั้นพระองค์ทราบว่าภิกษุสาติเกวัตตบุตรเนี่ยนะมีมีความเป็นดังนั้นคือเป็นเรื่ออะไรนั่งนิ่งกระดากคอตกก้มหน้าซบเสร้าหมดปฏิพานพระองค์ก็เลยตรัสเพื่อจะบอกว่าพระองค์ไม่สั่งสอนต่อไปว่าโมฆบุรุษเธอจักปรากฏด้วยทิฐิอันเป็นบาปของตนเนี่ยนะ ก็สุดแท้แต่มิจฉาทิฐิใช่ไหมมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่มิจฉาสังกปะมิจฉาวาจากรรมันต์อาชีววายามะสติสมาธิเนี่ยนะก็เป็นมิจมฉาทิฐิแต่นู้นจนถึงมิจฉาสมาธิกายกรรมก็ประกอบด้วยมิจฉาทิฐิมโนกรรมวจีกรรมก็ประกอบด้วยมิจฉาทิฐิกรรมกรรมภพก็เป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติก็เป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมณตและอุปายาตเนี่ยนะ ทีนี้พระองค์ก็บอกว่าพระองค์จะสอบถามภิกษุทั้งหลายในที่นี้อันนี้ประกาศชำระทิฐิว่ามีใครมีความเห็นแบบทิฐิภิกษุสาติบ้างไหมลาดับนั้นพระองค์ตรัสถามภิกษุทั้งหลายเนี่ยนะเพื่อจะชำระบริษัทว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอย่อมรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วเหมือนสาติภิกษุผู้กล่าวตูเราด้วย นะคิดว่ามูสาโมเมพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็ยังขุดขุดตัวเองด้วยจะประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยเพราะทิฏฐิที่ตนถือเอาชั่วแล้วดังนี้หรือในนี้มีใครเห็นเหมือนกับสาติภิกษุบ้างไหมเสียหายกี่อย่างนะตรงนี้ยกตัวอย่างมาคร่าวๆสมอย่างหนึ่งกล่าวพระพุทธเจ้าสองขุดตัวเองสประสบบาปไม่ใช่บุญไอท้ทิฏฐิตัวนั้นเนี่ย สร้างความเสียหายเห็นเห็นเลยสามอย่างให้ 1. หนึ่งมูสาพระพุทธเจ้าอ่ะพระองค์ไม่ได้ตราสแล้วบอกว่าพระองค์ตรัสเนี่ยมันจะหลอกขนาดไหนใช่ไหมก้อนหนึ่งสองทำลายบุญของตัวเองเนี่ยขนาดไหนมันบุญคุณงามความดีที่ตัวเองทำเนี่ยมันเสร็จสิ้นแล้วจบเลยเหมืนกันสต่อไปก็มีจะทําบาปหนักขึ้นหนักขึ้นต่อต่อไปเพราะทิฏฐิเป็นปัจจัยในนี้มีใครมีความเห็นอย่างนี้ไหมที่สกุก็กราบทูลว่าข้อนี้ไม่มีเลยพระพุทธเจ้าข้าว่าก็าไม่เห็นอย่างนี้หรอกพระเจ้าขา้าเหมือนกัน เพราะวิญญาณอาศัยปัจจัยประชุมกันเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสแก่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายโดยปริยายเป็นอันมากเพรา ะ, ะความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเนี่ยเว้นจากปัจจัยไม่ได้มีสรุปว่ายังไงวิญญาณก็ต้องเกิดจากปัจจัย พระผู้มีพระภาคเ จ, จ้าก็ตรัสว่าดูก่อนพิสูุทั้งหลายดีละสาธุเนี่ยนะพวกเธอรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงอย่างนี้ถูกต้องแล้วเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วว่าวิญญาณเป็นสังขารธรรมเป็นสิ่งที่เกิดจากปัจจัยดูก่อนพิสูจทั้งหลาย วิญญาณอาศัยปัจจัยประชุมการเกิดขึ้นเรากล่าวแล้วโดยอนเนกปริยายความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเว้นจากปัจจัยไม่ได้มีอัน น, นถูกต้องแล้วละยังไงเราก็แสดงอย่างนั้นแหละก็แต่สาติภิกษุผู้เกวัตบุตรนี้กล่าวตู่เราด้วยขุดตัวเองเสียด้วยประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยเพราะทิฏฐิที่ตนถือเอาชั่วแล้วความเห็นของโมฆะบุรุษนั้นจักเป็นไปเพื่อโทษ ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อทุก์สิ้นกาลนานเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสต่อไปอีกว่าดูก่อนพิสูจน์ทางลายวิญญาณอาศัยปัจจัยใดๆเกิดขึ้นก็ถึงความนับด้วยปัจจัยนั้นๆ น, น, นะคือชื่อของวิญญาณเนี่ยนะวิญญาณเนี่ยถ้ามันเกิดโดยอาศัยปัจจัยใดก็เรียกชื่อตาม ปัจจัยเหล่านั้นเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นวิญญาณอาศัยตาและรูปเกิดขึ้นเรียกชื่อว่าจักขคูวิญญาณวิญญาณอาศัยและหูอาศัยหูและเสียงเกิดขึ้นก็เรียกชื่อว่าโสตะวิญญาณวิญญาณที่อาศัยจมูกและกลิ่นเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าขานะวิญญาณคือเรียกว่าขานาวิญญาณวิญญาณที่อาศัยลิ้นและรสเกิดขึ้นก็เรียกชื่อว่าชิวหาวิญญาณวิญญาณที่อาศัยกายและโพธิภะเกิดขึ้น ก็มีชื่อว่ากายวิญญาณวิญญาณอาศัยมโนกับธรรมรมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่ามโนวิญญาณถ้าไม่มีตาไม่มีสีจะครูวิญญาณเกิดได้ไหมไม่ได้ไม่มีหูไม่มีเสียงโสตวิญญาณเกิดได้ไหมไม่ได้ไม่มีจมูกไม่มีกลิ่นคานะวิญญาณเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้ไม่มีลิ้นไม่มีรสชิวหาวิญญาณเกิดได้ไหมไม่ได้ไม่มีกายไม่มีโพธิภพ กายวิญญาณเกิดได้ไหมไม่ได้ไม่มีผวังไม่มีธรรมมารมทั้งหลายมโนโวิญญาณความคิดจะเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นวิญญาณเนี่ยนะมันเกิดขึ้นตามทวารใดก็ตั้งชื่อมันตามทวารเหล่านั้นเช่นวิญญาณถ้าอาศัยตาก็ชื่อว่าจักขูวิญญาณถ้าวิญญาณอาศัยหูเสียงเรียกว่าโสตะวิญญาณถ้าวิญญาณอาศัยจมูกกลิ่นก็เรียกว่าขานะวิญญาณอาศัยที่วิญญาณที่อาศัยลิ้นกับรสก็ชื่อว่า เชียวหาวิญญาณวิญญาณที่อาศัยกายกับโพธพภะชื่อว่ากายวิญญาณวิญญาณที่อาศัยมโนโคือผวังกับธรรมารมณ์ทั้งหลายก็ชื่อว่ามโนวิญญาณเปรียบเหมือนไฟอาศัยเชื้อใดๆติดขึ้นก็ถึงความนับหรือเรียกไฟนั้นตามเชื้อนั้นนะเช่นไฟที่อาศัยฟืนคือไม้เนี่ยเผาเผาเผาไฟขึ้นเนี่ยนะไฟก็เกิดขึ้นไฟนั้นเขาเรียกว่าไฟฟืนไฟที่อาศัย อาศัยสเก็ดไม้ติดขึ้นก็เรียกว่าไฟสเก็ดไม้ถ้าไฟเผาหญ้า ก, ก็เรียกว่าไฟหญ้าถ้าไฟอาศเผาขี้โคก็เรียกว่าไฟโคไมค้ไฟที่เผาแกลบก็มีชื่อว่าไฟแกลบไฟที่อาศัยอยากเยื่อติดก็เรียกว่าไฟอยากเยื่อนะก็เรียกชื่อตามตามเชื้อที่ที่ที่อะไรที่เผาใช่ไหมไฟเผาอะไรก็เรียกว่าไฟอันนั้นไฟที่เกิดจากฟ้าก็เรียกว่าไฟฟ้าเนี่ยนะคำว่าฟ้าเนี่ยมันเป็นเป็นสำนวนอ่ะนะ กรีกว่าอย่างเช่นไฟที่เกิดจากตะเกียงก็เรียกว่าไฟตะเกียงไฟที่มาจากหลอดก็เรียกว่าไฟหลอดก็เรียกชื่อตามตามนสิ่งนั้นๆไปฉันใดภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลวิญญาณอาศัยปัใจจัยใดๆเกิดขึ้นก็เรียกชื่อตามตามปัจจัยนั้นๆ เช่นวิญญาณที่อาศัยตาและรูปเกิดขึ้นก็เรียกชื่อว่าจักคูวิญญาณวิญญาณที่อาศัยหูและเสียงเกิดขึ้นก็เรียกชื่อว่าโสตวิญญาณวิญญาณที่อาศัยจมูกและกลิ่นเกิดขึ้นก็ชื่อว่าคานะวิญญาณอาศัยวิญญาณที่อาศัยลิ้นและรสเกิดขึ้นก็ชื่อว่าเชิวหาวิญญาณวิญญาณที่อาศัยกายกับโพธาภะเกิดขึ้นก็เรียกชื่อว่ากายวิญญาณวิญญาณที่อาศัยมโนกัตธรรมมรรมทั้งหลายเกิดขึ้นก็เรียกว่ามโนวิญญาณ แปลว่าวิญญาณในทวานหกไหมวิญญาณที่ในจักขุทวารโสตะทวารคาณะทวารชิวหาทวารและกายะทวารมโนทวานเนี่ยนะวิญญาณวิญญาณในทวารทั้ง6เหล่านี้เนี่ยนะวิญญาณคือจักขุวิญญาณโสตะคาณะวิญญาณกายะวิญญาณพวกนี้เป็นชาติวิบากเนยนะเป็นผลของเป็นจิตชาติวิบากมีกรรมเป็นปัจจัยมีวัตถุเป็นวัตถุมี อันนะั้นเกิดขึ้นโดยอาศัยวัตถุและอารมณ์ถ้าทางตาก็มีแสงสว่างเป็นอุปนิสัยถ้าทางหูมออีอากาศเป็นอุปนิสัยถ้าจานจมูกก็มีลมเป็นอุปนิสัยถ้าทวารลิ้นก็มีอาโปธาเป็นอุปนิสัยถ้าทวารกายก็มีเตโชธาเป็น ประตูปนิสยปัจจัยที่สำคัญเนี่ยนะเพราะฉะนั้นวิญญาณเหล่านี้ก็เกิดขึ้นโดยอมีกรร ม, มะปัจจัยเป็นปัจจัยมีวัตถุปุเรชาตปัจจัยมีอารมณปัจจัยมีสัมปยุตตาปัจจัยแล้วก็ยังมีอนันตระปัจจัยอย่างอื่นๆอีกเยอะเนี่ยนะเพะฉนั้นสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เกิดแต่ปั จ, จัยเพราะฉะนั้นวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายจึงเป็น ชาติวิบากเนี่ยนะเป็นชาติวิบากส่วนมโนโวิญญาณเนี่ยเป็นกุศลก็มีอกุศลก็มีอัพยากตะก็มีแปล ว, ว่าเป็นวิบากก็มีกิริยาก็มีเป็นทั้งกามาวจรกุศลรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลเป็นต้นก็มีก็มาแบ่งจำแนกไปตามนั้นไปทีนี้ถ้ากล่าวถึงวิญญาณที่อาศัยตามทวารต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะนี่แหละเรียกว่าพูดละภูตามดังเนี่ยนะนี่แหละคือขันห้าถ้ายกวิญญาณขึ้นมาแล้วเนี่ยนะ วิญญาณเกิดขึ้นโดยที่เว้นจากสังขารเว้นจากสัญญาเวทนาและเว้นจากรูปได้ไหมในปัญจโวักราพไม่ได้เนี่ยนะถ้าที่ใดมีวิญญาณที่นั่นก็มีขันห้าที่ใดมีขันห้าที่นั่นมีมีวิญญาณนั้นวิญญาณเนี่ยนะคือขันเนี่ยมันเว้นจากกันไม่ได้อ น, นเว้นแต่รูปทั่วไปที่ไม่มีวิญญาณครองน่ยแต่ถ้าพูดธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะเช่นอย่างโลกทวารตาที่เราลืมเห็นจากครูวิญญาณเห็นภาพขณะนี้คือการประชมพร้อมแห่ง ขันห้าโซตวิญญาณทีรร่เกิดขึ้นได้ยนนนินเสียงนี่นะนนแหละคือการประชมพร้อมของขันห้าคานวิญญาณรู้กลิ่นนี่แหละคือการประชมพร้อมแห่งขันห้าทวารลิ้นรับรู้รสรู้รสนี่แหละคือการประชมพร้อมแห่งขันห้าขณะใดที่รับกระทบสัมผัสสุขทุกเย็นร้อนเป็นต้นเนี่ยนะขณะนั้นแหละคือการประชมพร้อมของขันห้าขณะที่เรานึกคิดขณะนั้นแหละคือการประชมพร้อมของ ขันห้าเธอเห็นขันห้าที่เกิดขึ้นหรือไม่เธอเห็นเป็นขันห้าหรือไม่เอพูตมิดังพิกเเวเนี่ยนะพูแตมิดังบอกว่าเธอเห็นพูหรือไม่เนี่ยคือพูดนี่คือขันห้าทั้งนั้นแหละนี่คือความจริงความจริงคือขันห้าที่ประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเหล่านี้ใช่หรือไม่เห็นอย่างนี้ไหมเห็นว่าเป็นขันห้าไหมภิกษุเหล่านั้นท่านก็บอกว่าเห็นพระเจ้าข่าเนี่ยนะเธอเห็นเป็นขันห้าไหม ถ้าบอกว่าเห็นเป็นขันห้าเห็นเป็นอายตนาสิบสองเห็นเป็นท่าสิบแปดไหมเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะนะพิสูจทั้งหลายเนี่ท่านสมัยนั้นนะท่านท่านท่านมีทิฏฐิตามคําสอนของพระพุทธเจ้าพอฟะพอใช้คําว่าภูตม่ดังเธอเห็นขันทพันจกระที่เกิดขึ้นหรือไม่เห็นขันห้าไหมเห็นพระเจ้าค่ะเธอทั้งหลายเห็นว่าขันทปันจกะหรือขันห้านั้นเกิดขึ้นเพราะอาหารเป็นปัจจัยหรือไม่อย่างนั้นพระเจ้าค่ะถูกต้อง เพราะขันห้าเนี่ยนะล้วนแต่เกิดจากอาหารอาหารแปลว่าปัจจัยขันห้าทุกขันล้วนแต่เกิดจากปัจจัยเช่นรูปรูปเนี่ยนะก็เกิดจากอาหารคือรูปขันเกิดจากอะไรเกิดจากกับพริงกราหารเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันเกิดจากภาษาหารวิญญาณขันเกิดจากนามรูปเนี่ยนะแล้วมโนสัญเจตระหานน่ะภพสามการเกิดได้พสามเนี่ยมาจาก ามาจากอะไรม า, มาจากมโนสันเจตนาหาร